ปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทียาลายัยเล่มที่ส5พระสุตันตปีดกสังยุตตนิกายสขาทวักพระสุตตันตปีดกสังยุตตนิกาย สขะทวักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเทวตาสังยุตหนึ่ง น, นละวักหมวดว่าด้วยต้นอ้อหนึ่งโอคะตระณะสูตรว่าด้วยการข้ามโอคะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราเองเมื่อไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอคะได้เทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็พระองค์เมื่อไม่พักไม่เพียรทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้มีอายุเมื่อใดเรานั้นยังพักอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังจมอยู่เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังลอยอยู่แน่นอนเราไม่พักไม่เพียรอย่างนี้แลจึงข้ามโอคะได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพรามผู้ดับกิเลสได้สิ้นแล้ว ผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตันหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระไทัยแล้วครั้งนั้นเทวดาคิดว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระไทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเอง โอคะตรณะสูตรที่หนึ่งจบสองนิโมคสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไป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 ของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราทราบนิโมกปะโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์พระองค์ทรงทราบนิโมกปะโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุ เพราะความสิ้นไปแห่งพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราจึงทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แลนิโมคสูตรที่สองจบ 3. อุปนิยสูรว่าด้วยชีวิตถูกชารานำเข้าไปเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชารานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชารานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทาน บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชารานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชารานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอุปนิยสูตรที่สามจบ 4. ี่อาเจนติสูตรว่าด้วยการที่ล่วงเลยไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ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 ติชินทสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอคะได้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรตัดธรมเท่าไหร่ควรละธทมเท่าไหร่ควรบำเพ็ญรมเท่าไหร่ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุ ก้าล่วงทำเป็นเครื่องข้องเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าข้ามโอคะได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลควรตัดทำห้าประการควรละทมห้าประการควรเจริญทำห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปพิกษุก้าล่วงทำเป็นเครื่องข้องห้าประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคะได้ กติชินทสูตรที่ห้าจบหกชาครสูตรว่าด้วยความตื่นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวาทีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้ว ได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อทำทั้งหลายหลับแล้วทำประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะทำประเภทไหนบุคคลบริสุทธ์เพราะทำประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่ออินรีห้าตื่นอยู่ นิวรณ์หชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวร5์ห้าบุคคลบริสุทธ์เพราะอินทรีห้าชาคระสูตรที่หกจบ 7. อปติวิทตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้แจ้งธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่น บัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเหล่าใดรู้แจ้งทำแล้วย่อมไม่ถูกชักนําไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดําเนินไปอย่างสม่ําเสมอในที่ที่ไม่สม่ําเสมออปิติวิถิตสูตรที่เจ็ดจบ สุสัมมุทสูตรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ลืมเลือนธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่น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 มานะกามาสูตรว่าด้วยผู้มีมานะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลในโลกนี้ผู้มีมานะความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียว ก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้มานะกามาสูตรที่9ก้าจบ อรัญยสูตรว่าด้วยป่าเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าผู้สงบประพฤติธรรมอันประเสริฐชั้นอาหารมื้อเดียวเพราะเหตุอะไรผิวพันจึงผ่องใสพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพันุ์จึงผ่องใสเพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เขาจึงสูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นอรั ญ, ญสูตรที่สิบจบนารวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคตระณะสูตร 2. นิโมคสูตร 3. อุปนิยสูตร 4. อาเจนติสูตร 5. กติชินทสูตร 6. ชาคระสูตร 7. อปติวิธิตสูตร 8. สุสา ม, มุทสูตร 9. มานะกามสูตร 10. อรัญญะสูตร 2. นันทนวกักหมวดว่าด้วยสวนนันทนวัน 1. น, นันทนสูตรว่าด้วยสวนนันทนวัน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 เรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอับสรแวดล้อมเ อ, อิบอิ่มพร่างพร้อมด้วยการมาคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทนาวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนาวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศ เทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้น เป็นความสุขนันทนะสูตรที่หนึ่งจบ 2. นันทติสูตรว่าด้วยความยินดีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาววัตถี เทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเรียกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุต ร, รย่อมยินดีเพระบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพระโคเหมือนกันเพราะอุปธิทําให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกพระบุตร คนมีโคย่อมเศร้าโศเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศฉะนั้นคนที่ไรอุปธิจึงไม่เศร้าโศนันทติสูตรที่สองจบ 3. นัตถิปุตตะสมะสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มีเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถา น, นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีรั์เสมอด้วยโคไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มี แหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุดเป็นยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีทรัพย์เสมอด้วยข้าเปลือกไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมนาฏิปุตตสมสูตรที่สจบ ขติยสูตรว่าด้วยกษัตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วเด็กกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตรประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าโคพลิพัทประเสริฐที่สุดบรรดาภัญญาภัญญาที่เป็นกุมารีประเสริฐที่สุด บรรดาบุตรบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบรรดาสัตว์สองเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์อาชานใยประเสริฐที่สุดบรรดาภัญญาภัญญาผู้เชื่อฟังดีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรผู้เชื่อฟังประเสริฐที่สุดคัติยสูตรที่สี่จบ ห้าสนะมานสูตรว่าด้วยเสียงป่าครวนเทวดากล่าวว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวัน ป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครูนครางอยู่เสียงครูนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครูนครางอยู่เสียงครูนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เรา สนะมานสูตรที่ห้าจบ 6. นิธาตันทิสูตรว่าด้วยความหลับและความเกียดคร้านเทวดากล่าวว่าอริยมรรคไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ในโลกนี้ เพราะความหลับความเกลียดคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะใช้ความเพียรกําจัดความหลับความเกียดคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นอริยมรรคจึงบริสุทธิ์ได้นิทธาตันติสูตรที่หจบ เจตทุ ก, กระสูตรว่าด้วยสมณธรรมที่ทําได้ยากเทวดากล่าวว่าสมณธรรมคนไม่ฉลาดทำได้ยากอดทนได้ยากเพราะสมณธรรมนั้นมีความคับแคบมากสําหรับคนพานที่อาศัยอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพานประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานานหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอํานาจแห่งความดําริ ก็จะพึงติดขัดในทุกบทหากภิกษุยับยั้งความวิตกในใจไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นดับสนิทแล้วไม่พึงว่าร้ายใครทุกระสูตรที่เจ็ดจบ หิริสูตรว่าด้วยหิริเทวดากล่าวว่าคนผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีอยู่น้อยในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแช่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่าใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริ มีสติประพฤติทำอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกย่อมดำเนินไปอย่างสม่าเสมอในที่ที่ไม่สม่าเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยหิริสูตรที่8จบ ป, ปุติกาสูตรว่าด้วยกระทอมเทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระทอมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรสัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระทอมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุล แน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดา รังที่ท่านกล่าวกับเราคือพัญญาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตันหาเทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อมดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วกุติกาสูตรที่เก้า 10. สมิธิสูตรว่าด้วยพระสมิธิข้าปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปทารามเขตกรุงราชครื ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตะโปธาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้ำตะโปธาเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนอยู่ในอากาศ ได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิด้วยคาถาว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ต้องไม่ขอเลยภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยท่านพระสมิทธิกล่าววา่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้น ถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยครั้งนั้นเทวดานั้นลงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าภิกษุท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญไม่เพลิดเพลินในกรามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกรามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิด อย si ่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามการเลยท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าไม่ได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามการเลยข้าพเจ้าละกามอันมีอยู่ตามการแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีทุกมากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเทวดากล่าวว่าภิกษุก็การมทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกมาก มีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักเป็นอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นอย่างไรท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระใหม่บวชมาไม่นาน พื่มาสู่พระธรรมวินัยนี้เขาพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณตะโปธารามเขตกรุงราชครื้ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนั้นเถิดพึงจำข้อความนั้นตามที่พระองค์ทรงเฉลยเถิดเทวดากล่าวว่าภิกษุ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพวกเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นแวดล้อมอยู่พวกข้าพเจ้าจะเข้าไปเฝ้าไม่ได้ง่ายนักหากท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้แม้พวกข้าพเจ้าก็จะมาฟังทำด้วยท่านพระสมิทธิรับคำของเทวดานั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร เอากาบทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตะโปทาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้าตโปทา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 ไม่เพลิดเพลินในกรามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกรามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิดอย่าละกรามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากรามอันมีอยู่ตามการเลยเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงได้กล่าวกับเทวดานั้นดังนี้ว่าเทวดาข้าพเจ้ามิได้ละกรามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามการเลย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 อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อค่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับข่าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุก็กรามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความครับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักเป็นอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นอย่างไรเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวดานั้นดังนี้ว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระใหม่บวชมาไม่นานเพึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณตโปทารามเขตกรุงราชครื้ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนั้นเถิดพึงจำข้อความนั้นตามที่พระองค์ทรงเฉลยเถิดเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พวกเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นแวดล้อมอยู่พวกข้าพเจ้าจะเข้าไปเฝ้าไม่ได้ง่ายนักหากท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนี้แทนแม้พวกข้าพเจ้าก็จะมาฟังทำด้วยข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าคําของเทวดานั้นเป็นจริงเทวดานั้นก็พึงมาใกล้ตโปธารามนี้ เมื่อท่านพระสมิทธิกราบทูลอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังนี้ว่าทูลถามเถิดทูลถามเถิดภิกษุเข้าพเจ้าตามมาถึงที่นี่แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเทวดานั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายมีความรู้ในสิ่งที่เรียกขานเด็ดอยู่ในสิ่งที่เรียกขาน ไม่กำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความตายส่วนภิกษุกำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานแล้วไม่กำหนดหมายสิ่งที่เรียกขานเพราะสิ่งที่เรียกขานนั้นไม่มีแก่ภิกษุนั้นฉะนั้นเหตุที่จะเรียกขานท่านจึงไม่มียักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อ น, นี้โดยพิสดารได้ขอประธานวโรวกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํารัสที่พระองค์ตรัสไว้อย่างย่อ น, นี้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสกถานิว่าบุคคลใดถือตัวว่าเราเสมอเขา เราเลิกกวัวเขาหรือเราด้อยกว่าเขาบุคคลนั้นก็พึงทะเลาะกับเขาเพราะความถือตัวนั้นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวในความถือตัวทั้งสามนั้นย่อมไม่มีความถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิกกวัวเขาหรือเราด้อยกว่าเขายักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดา น, นั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ตัดตันหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้หรือในโลกอื่นในสวรรค์หรือในสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวกถึงจะเที่ยวค้นหาก็าไม่พบบุคคล น, นั้นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกได้แล้วไร้ทุกหมดความกระหายยักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าบุคคลไม่ควรทำบาปทางกายทางวาจาหรือทางใจทางใดทางหนึ่งในโลกทั้งปวงควรละกามทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะไม่พึงเสวยทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สมิธิสูตรที่สิบจบ นันทนาวัคที่สองจบ